เทศนาแผ่นที่82ลองลำดับที่13โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีสแสดงคำในวันที่สิพฤษภาคม2518มีชื่อเรื่องว่าสมาธิวควบคุมลูกขุน หลวงพ่อได้ออกจากวัดไปสองสามวันเพิ่งกลับมาเมื่อวานนี้ออกไปตั้งแต่วันที่เจ็ดไปที่ <c oughs> วัดรวมธรรมอำาบลสุมเศร้าอำเภอเพนจังหวัดอุดรธานีเป็นวัดของขุนอ๋อย เป็นผู้ถวายที่ดินแล้วก็ท่านรัตนะไปเป็นเจ้าวาดหมู่วานหลวงพ่อกับไปพักอยู่ที่นั่นสองคืนเพื่อทอดผ้าป่าหาทุนซื้อที่ดินเพิ่มเติมเพราะว่าที่ดินเก่าที่ถวายนะั้นเป็นประมาณส0สบสาสบสีไร่หละ ก็เลยหาทุนเพิ่มเติมอีกส2บสองไร่เมื่อวานเนี่ยรู้สึกว่าพี่น้องประชาชนให้ความสนใจมากพอสมควรมากนะเมื่อวานนีแต่ก็ดีฝนไม่ตกตอนเช้าแต่ตอนกลางวันกองกลางวันก่อนๆโอ้รู้สึกว่าร้อนมากแต่เมื่อเช้าวานเนี่อรู้สึกว่าลมโชยมาแต่ ตี4ีตีหรู้สึกว่าลมแรงพอสมควรแล้ลมมาจากไหนก็ทำให้อากาศเย็นลงเยอะเลยเมื่อเช้า ว, วัดจากนั้นก็มีการทอดผ้าป่าสามคัคคีมีทุนไพโรอดกรุงศรีออโตโอ้คุณดนายจันเจ้าชายมูลนิธิทาดีมีหลายกลุ่มที่เป็นเพื่อนฝูงของคุณ ออยอกิตติธารานะรวมธรรมเขาจะบวชจะบวชเป็นชีเขาประกาศนะบอกว่าประกาศกับพี่น้องศรัทธายาตโยมมูพวกเพื่อนปรกว่ติบวชเขาเนะี่ยคงจะบวชตลอดไปแต่กิจการของเขาก็ล้มเลิกหยุดนะแบ่งให้พี่ให้น้องให้ลูกให้หลานรู้สึกว่าใจของเขาถ้ามันเป็นอย่างที่ ใจเขาคิดโหไม่ใช่ใจธรรมดานะใจเพชรทีเดียวละ่ะหลวงพ่อดูแล้วแต่ใครจะเป็นผู้แนะนำบอกกล่าวมันออกมาจากใจจริงของเขาใครจะไปบอกซักจูงแนะนำมันไม่ได้ทั้งนั้นละ่ะเพราะคนระดับของเขาแล้วคนระดับนี่แล้วนะหลวงพ่อเห็นนะเออญาติโกหติกาเพื่อนฝูง เ, เขาก็เป็นประธาน ชมรมชดลดใช้แล้วทั่วประเทศแต่เขาก็ลาลามือแล้วก็ได้สร้างวัดวัดก็ได้แล้วนะกรมการศาสนาก็อนุมัติแล้วก็เป็นวัดสมบูรณ์ท่านทัศนาก็เป็นเจ้าอาวาส เ, เนื้อที่จากนั้นเราก็กเดี๋ยวนี้กำลังเริ่มทํากำแพงก็ได้สองร้อยกว่าเมตรเพื่อกันเสียงแล้วก็ การความปล อ, อ, อดภัยของวัดทำกำแพงทางด้านหน้าไปเห็นเมื่อวานวันก่อนแล้วก็อืม <c oughs> เป็นเห็นแล้วก็การงานก็ไปได้ดีพอสมควรแล้วก็เมื่อวานทอดผ้าป่าสามัคคีรวมกันเป็นการแจ้งข่าวให้พวกเราคณะทายาโจม ที่ดินแปลงใน12ไร่เป็นเงิน4ล้านบาทแต่ก็เป็นซื้อจริงๆก็ประมาณ3ล้าน3ล้าน4แสนแต่เป็นค่าโอนค่าธรรมเนียมของเขาอีก4ล้าน6แสนแต่ค่าธรรมเนียม4แสนรวมแล้วเป็น2ล้านแต่เมื่อวานทอดผ้าปลาได้ทั้งหมด รวมกันแล้วได้สองล้านเจดแสปดมันสห้าบบาทก็ยังขาดอยู่ประมาณหนึ่งล้านสองแสสมกว่าบาทเนี่ยหนึ่งล้านสองสมมนบาทที่ขาดอยู่ต่ก็กงจะเขียนเส็จสัญญากันนะ เอาไปก่อนมีเท่าไหร่เอกไปก่อนจำนวนที่เหลือก็เป็นหนี้ไว้ก่อนอันนี้ก็คือเงินผ้าป่าจากนั้นขอเมื่อผ้าป่าเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มีการบวชชีคุณออยเขาก็บวชชีบวดเป็นแม่ชีหลวงพ่อเป็นเป็นอุปชาเป็นอุปชาให้เป็นอุปชาบวช <c oughs> <c oughs> ก็เสร็จเรียบร้อยแล้ว รู้สึกว่าพี่น้องประชาชนเข้ามาเป็นสักขีพยานล้นหลามแต่พอเสร็จแล้วหลวงพ่อก็หรอเสร็จงานแล้วหลวงพ่อก็มางานพระครูจิตงานพระราชทานเพลิงอดีตเจ้าคณะอําเภอบ้านผือพระครูจิตสุนทรเมื่อวานก็รู้สึกว่าพี่น้องประชาชนก็มากอีกเหมือนกันนะในงานศพของพระครูจิตเนี่ยพระสงฆ์ก็มากแล้วก็พี่น้องประชาชนก็มาก เมื่อวานหลวงพอ่อพอวางศีลลเลิกเสร็จแล้วหลวงพ่อก็รีบออกมาเพราะกลัวฝนเพราะหลวงพ่อนะ่ยรู้สึกกระหม่อมบางนะทุกวันนี้ช่วงนี้เพราะมันเป็นวัดนะหลวงพ่อก็กลัวฝนอีกเหมือนกันนะ <c oughs> พอกลับมาถึงวัดนะนี่แหละแล้วก็วันนี้เห็นพี่น้องศรัทธาญาติโยมมามากพอสมควรเอแล้วก็พอทราบ หลวงพ่อเองเป็นผู้กําหนดแต่หลวงพ่อก็ลืมนะแต่วันนี้จะมีการบวชนักสามสามนาคนะพี่น้องศรัทธาญาติโยมโลูกหลานโพชันอาหารข้ขางในข้างนอกเสร็จเรียบร้อยก็คงจะเก่าไปข้างในไปบวชอยู่ข้างในได้มนพระอุปชามาจากภูก้อนมาบวชนะนาคที่บวชในวันนี้ก็คือนาคในวรวษุษนาควรวษุษบุตรสารั แล้วก็กิติพรสีรอดแล้วกนัตกฤิศสาลีสาลีแต่ยังไม่ได้บวชอีกนาคหนึ่งนะไกสอนแปลงสีอันนี้ก็ยังอีกนาคหนึ่งอย่างท่องเอสาหังไม่จบเพราะว่าการบวชในวัดของเราเนี่ยถ้าหากว่าเอสาหัง ไม่คล่องเนะี่ยหลวงพ่อจะไม่ให้บวชนะไม่ใช่ว่าจับบวชง่ายๆไม่เอ า, เอาต้องให้ถูกตามหลักพระธรรมไม่นายตองถูกอักคระถูกตามกฎเกณฑ์ที่ได้วางเอาไวา้ไม่ใช่ว่ามาแล้วก็บอกหน้าบอกหลังตำใช้ตำขวานพูดไม่ถูกไม่เอ า, เอาต้องท่องให้คล่องผู้ที่จะบวชทำไม่คล่องไม่ให้บวชนะ่เพราะนั้นวันนี้ก็ ลูกหลานทั้งหลายทั้งส า, าแล้วก็คงจะบวชพอฉันยางหันเสร็จแล้วก็เข้าไปข้างในถ้าศรัทธาญาติโยมผู้ใดยังไม่เคยเห็นการบวชก็เข้าไปดูก็ได้นะไปอนุโมทนาในการบวชเมื่อเสร็จแล้ว ก, ก็คงจะใช้เวลาไม่นานประมาณชั่วโมงกว่าในการบวชสมองค์พอสวดเพียงครั้งเดียว แล้วก็วันนี้เป็นวันพระอีกต่างหากนะวันนี้นะวันพระแรมแปดค่ำเดือนห้าเปน็นพระด้วยเป็นวันอาทิตย์ด้วยวันนี้นี่แหละที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวมากับเพื่อเป็นเรื่องที่แรกก็เรื่องทานทานะคือการเสียสละซื้อที่ดินไว้ในพระพุทธศาสนา เป็นบุญเป็นกุศลอีกส่วนหนึ่งแต่ก็ยังขาดอยู่แต่ก็ไม่ได้หนักใจมันค่อยเป็นค่อยไปแต่เป็นทางวัดก็เขาคงจะจัดการกันเป็นหนี้ไว้ก่อนเพราะว่าเจ้าของเจ้าภาพเขาคงไม่เดือดร้อนปีต่อไปเรียกว่ามีผู้ถวายสมทบเข้ามาทาให้เป็นหนี้ก็ดีที่สุดถ้าหว่ามันจาเป็นก็ออเออเพราะมันยังไม่ได้ก็ตรง ค้างค้ากันไว้ก่อนอันนี้ก็คือการเสียสละซื้อที่ดินไว้ในพระพุทธศาสนาถ้าซื้อแล้วก็ไม่ใช่ของผู้หนึ่งผู้ใดนะไม่ใช่ของหลวงพ่อเป็นของพวกเราทุกคนสาธารณเป็นของพระพุทธศาสนาไม่ได้เซ้งไม่ได้ซื้อไม่ได้จ่าย ข, ขายไม่ได้ให้ทา ย, ยาตอกีกเพราะว่าเป็นของพระพุทธศาสนาเป็นของกลางเป็นของพวกเราทุกคนถ้าใคร อยากจะเป็นชีก็มาอ้าวปฏิบัติได้หรือมาปฏิบัติธรรมก็ได้หรือจะเป็นพระมาบวชอยู่ที่นั่นก็เป็นเจ้าของด้วยกันสั่วลูกสัวส่วหลานสวดเหลนอตลอดไปเพราะฉะนั้นที่ดินวัดวาศาสนาพอซื้อขึ้นมาหรือประกาศขึ้นมาอย่างหลวงพ่อประกาศหลวงพ่อก็ไม่ได้กระดาษเพราะเหตุไรเพราะเป็นของสมบัติทุกคนถ้าใครจะมาร่วมก็เออเอาเป็นบุญเป็นกุศล เราทําอย่างอื่นเราก็ทามามากต่อมาก เ, เราจ่ายเงินทิ้งเปล่าๆมามากต่อมากให้ทบทวนหนสิในชีวิตของพวกเราเนี่ยนั่งหลับตาทบทวนหน่อยสิอันนี้เราเคยทําบุญซื้อดีดินในไว้ในพระพุทธศาสนาเนี่ย เ, เราเคยจ่ายไปเท่าไหร่ อ, อทบทวนหนสิทายังไม่ได้ซื้ออ้อาวหลวงพ่อเขาประกาศอย่างนั้นแหละเมืม่อวานนี่ ลงขันกันนะลูกหลานนะช่วยๆกันซื้อที่ดินไว้ในพุทธศาสนาไม่ใช่ของผู้หนึ่งผู้ใดไม่ใช่ของหลวงพ่ออันนี้ก็คือทานส่วนเน่ฆัมมะก็คือการบวชชีเขาก็บวชได้บวชปฏิบัติเน่ฆัมมะก็คืออภรร ม, มจริยาไม่มีครอบครัวเป็นรักษาศีลแปดรักษาศีลอุโบสถอันนี้คือ ศีลอะพรมจริยามีทั้งฝ่ายพระพระก็คือบวชเป็นสมมาเนนบวชเป็นพระเนี่ยศีลอะพรมมจริยาหรือว่ารักษาศีลแปดอย่างวันนี้แหละรักษาศีลนุโบสดทักษาศีลแปดนี่ยวะศีลอะพรมมจริยาอันนี้ก็คือศีลทานศีลแต่ว่าเรื่องภาวนาคือแนวความคิดแนวความคิดของ พระพุทธศาสนาคิดยังไงจึงถูกต้องคิดยังไงคิดผิดคิดยังไงเป็นสัมมาทิฏฐิอันนี้ก็คื อ, คอจุดหนึ่งจุดที่จุดใหญ่จุดใหญ่ของพระพุทธศาสนาเนี่ยเรื่องสัมมาทิฏฐิคือความคิดนี่แหละแต่ว่าทางโลกของเขาเนี่ยเขาเน้นไปในการกระทำการกระทาแต่ตามพระเจ้ามันต้องคิดซะก่อนม่จึงทำ แต่เขาไม่ได้คิดมีแต่เขาคิดแต่ว่าเอาแต่ผลการกระทำผลการพูดเออแต่ว่าผลการคิ ด, คดเนี่ยโดยมาก <c oughs> เขาจะไม่ไ ม, ไม่ไม่มาพูดถึงจุดนี้แต่เรื่องของพุ๊พุทธศาสนาแล้วท่านให้เน้นเห็นย่นเข้ามาแล้วเน้นเข้ามาหาตัวคิดเออความคิดเนี่ยแหละเป็นบ่อเกิดหรือบ่อแรก ที่มันจะไหลไปสู่การกระทาหรือว่าการพูดเพราะนั้นหลักธรรมคาสอนท่านยังให้มีสมาธนะิถ้าคนไม่มีสมาธินะมันหาหาบ่ไม่เกิดเห็นแต่ผลปล่อยออกไปเห็นแต่ปล่อยมัดปล่อยลูกกระสุนออกไปไม่เห็นที่ปล่อยออกไปเพราะอะไรเพราะใจไม่เป็นสมาธินีห่หลักของพุทธศาสนาท่านให้มีสมาธิ วิธีการที่จะดูเข้าไปสู่จุดนั้นที่มันปล่อยความชั่วหรือความดีออกมามันมาจากไหนนี่แหละจุดนั้นเป็นจุดที่หลักพระพุทธาศาสนาให้ความสนใจใส่ใจเป็นอย่างมากเพราะนั้นที่จะมองจุดนั้นได้จะมองด้วยวิธีอย่างไรนี่แหละด้หลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจา้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านนํานํำมาแนะนำสั่งสอนบอกกล่าว ให้กับพวกเราก็คือเรื่องสมาธิทีน่วิธีการที่จะทำจิตใจให้เป็นหนึ่งหรือว่าจิตใจสงบหรือว่ารู้ตัวเองใจรู้ใจความรู้สึกรู้รู้สึกความรู้สึกทันความรู้สึกจะทำยังไงนอกจากสมาธิแล้วไม่มีทางอย่างอื่นเพราะนั้นท่านจึงให้บริกรรมบริกรรมพุทโธหรือว่า กำหนดลมหายใจเข้าหรือหายใจออกออตามปกติใจของเรามันจะซ่านคิดอะไรต่อมิอะไรแต่ละวี่แต่ละวันจนนับคานาหาประมาณไม่ได้ถ้าว่าเรามีปากกา เ, เขียนนะเดี๋ยวนี้ขณะนี้เราคิดอะไรคิดอะไรคิดอะไรคิดอะไรนะมันมกีกระดาษแผ่นหนึ่งแผ่นมักใหญ่ บ, ล, บล้นะอหราเนล่อ หลวงพ่อว่าคงจะไม่มีไม่มีที่จะเอาปลายปากกาจี้ลงไปแล้วงนะั้นมันคิดแต่ละวันนะมันมากจริงๆนี่แหละอันนี้แปลว่ามันซ่านนะจิตใจมันปุ่งฟุ้งซ่านแนละ้วจะทำยังไงให้มันเป็นหนึ่งให้มันเป็นจุดเดียวนะคือไม่ให้มันไม่ให้มันออกไปปุ่งฟุ้งไปข้างนอก น, ะนี่แหละหลักของพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าท่านไปค้นคว้าศึกษาดูแล้วท่านบอกว่า ต้องกำหนดให้อยู่จุดใดจุดหนึ่งจะอยู่จุดไหนในขณะที่เรานั่งมีแต่หัวใจมันเต้นตึบตึบตึบกับลมหายใจเข้าออกแต่ถ้าว่ากำหนดที่หัวใจที่มันเต้นมันโดยมากมันจะมองไม่เห็นมันลึกเกินไปท่านก็ให้กํากำหนดลมหายใจเข้ า, าที่มันนั่งอยูนะ่เพราะสิ่งอื่นมันก็น่งเงียบใช่ไหมนิ่งหมดแล้ว หลับตาก็หลับอีกต่างหากมีแต่หัวใจกับลมหายใจเข้าออกแต่มันผ่านเข้าผ่านออกลมหายใจเข้าออกเนี่ยหยาบกว่าเพื่อนไอ้หัวใจเนี่ยเต้มันเต้นเนี่ยมันลึกกว่ามันจับไม่ได้จุดนั้นอะ่ะไอ้ท่าว่าผู้ที่ภาวนาทำจิตใจให้สงบผ่านความสงบแล้วสติดีแล้วจับหัวใจเต้นก็ได้ไอ้หัวใจเต้นตึบตึบตึบในใจจะเย็นจะรู้ได้นะ ทิปย์ปรจรนใช่ไหมิพจรมันมันเต้นนะแต่ถ้าว่าคนเราธรรมดานะ่ยขนาดลมหายใจเข้าออกยังจับไม่ได้ได้ไปจะไปจับหัวใจเต้นนะ่ยมันไม่ไดนะ้มันลึกเกินไปท่านจึงให้กําหนดลมหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้ว่าหายใจออกอันนี้แหละกําหนดเพื่อจะดูใจจากนั้นพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่มั่นท่านบอกกำหนดลมหายใจเข้าออกเฉยเฉเนี่ย มันหลุดได้ง่ายน ะ, ะมันเผลอได้ง่ายมันหลงลืมได้ง่ายควรจะสำทับพุทโธเข้าไปด้วยนะหายใจเข้าบริกรรมพุทหายใจออกบริกรรมโธเอาพทุทโธเป็นหลักเป็นหลักยึดกับลมหายใจเข้าหายใจออกนี่แหละวิธีการกำหนดดูจิตใจแต่วิธีการที่จะทำจุดนั้นทำอย่างนั้นเราจะทำช่วงไหนเวลาไหนท่านบอกว่าไม่มีเวลา เ, เราจะนั่งรถไปคนที่ขับรถก็ขับไปเราก็นั่งหลับตาไปพุดโธพุดโ ท, ดโทไปก็ได้หรือไปถึงบ้านช่วงไหนที่มันว่างๆกลางคืนกลางวันก็ถึงไม่มีใครแล้วก็ปิดวิดทยุโทรทัศน์โทรศัพท์โทรศัพท์ก็ปิดนะเพราะเป็นเครื่องสื่อกวนเราเหมือนกันนะ เ, เราก็ปิดไว้ซะในขณะที่เราจะนั่งภาวนาเออข้าพเจ้าจะนั่งภาวนาสักหนึ่งชั่วโมงแล้วก็ปิดโทรศัพท์ไว้เสก่อนปิดโทรศัศท์ วิทยุไว้หนึ่งชั่วโมงล้วก็นั่งพานาเพื่อมาให้มันกวนเราท้าไมอย่างนั้นเวลานั่งไปก็เสียงดังเก้งก้างขึ้นมามันก็เสียสมาธิอีกผลในสุดก็เลยไม่เป็นไม่ไปไม่มาอีกเหมือนกันเพราะการที่จะนั่งก็ต้องเป็นสัจจะความจริงจังและจริงใจในช่วงนั้นตัดภาระออกซะก่อนออคลายๆว่าเป็นอิสระในตัวเองหาโอกาสหาอิสระให้กับตัวเองในช่วงนั้นหนึ่งชั่วโมงน่ะ ต้องหลบไปอยู่ในที่สงบหลุดอยู่ในห้องของตัวเองปิดประตูให้มิดแล้วก็อยู่ในความสงบงนี่แหนะวิธีการปฏิบัตินะปฏิบัติปฏิบัติกิจตภาวนานะไม่ใช่ยุ่งเหยืงวุ่นวายนะคขันตะธาญาตโยมลูกหลานนะถ้ายุ่งเหยิงวุ่นวายนั่งไปกี่ร้อยกี่พันปีก็นั่งไปเถอะมันจะไม่ได้ผลถ้านั่งอย่างที่หลวงพ่อพูดนะปิดหน้าตา่างปิดประตู แล้วก็ปิดเครื่องเสียงทั้งหลายทั้งปวงแล้วก็เปิดแอร์เบาๆแล้วก็นั่งภาวนากาหนดลมหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าพุทหายใจออกโทนี่แหละอันนี้ก็คือวิธีการปฏิบัติให้นั่งให้กำหนดอย่างน้อยสักหนึ่งชั่วโมงละสามนาทีวันหนึ่ง24ชั่วโมงนะเราเอาไป24่สี่ตอหนึ่งชั่วโมงนะได้ไหม เพื่อจะให้จัดจิตใจของเราพักผ่อนโดยมากมีแต่ร่างกายของเราพักผ่อนพักผ่อนกับนอนหลับบางทีกับฝันอีกต่างหากแต่ที่นี่ เ, เราจะให้ใจลกของเราพักพักผ่อนคือนั่งสมาธิให้ใจอยู่กับตัวเองหนั่งนิ่งอยู่กับตัวเองนี่นี่แหละปลให้กระใจเข้าพุทหายใจออกโธพุทโธพุทโธต่อไปอันดับแรกมันก็สู้กันพอสมควรนะ ลูกหลานกณน่าศรัทธาญาติโยมนะเอพูดโทรพูดโธนู้หนอไม่รู้ไปอังกฤษไม่รู้ไปอเมริกาไม่รู้ไปลูกไปสามีภรรยาไม่รู้ไปการหน้าที่การงานอะไรมันสารพรวุ่นวายไปหมดไม่ใหม่นะแต่ถึงยังไงถ้าเรามีความพยายามมีความตั้งใจอยู่อย่างองค์หลวงตาท่านบอกนที่แรกมันก็ซ่านไปเหมือนกับเราหวานแห่น่ย หวานแหมันก็เพลไปเต็มเต็มตัวแห่น่ะแต่เราไปจับจอมขึ้นมาจอมแหน่ะใครเขาจอมแหก็ยกจอมแหขึ้นมาตีนแแหมันก็รวมรวมรวมสั้นเข้าสั้นเข้าสั้นเข้าเรายกแหขึ้นไปข้างบนมันก็เป็นกระจุกตีนแหมมันก็รวมกันกันนี้ก็ลักษณะอย่างนั้นแหละท่านว่าเวลาใหม่ๆนะก็พุทโธพุทโธก็จ้านไปทุกแข่ทุกคน แต่เรากำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกดูพุโทโธพุโทโธอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวมันก็รวมรวมรวมรวมรวมร ว, วมเข้ามาเป็นหนึ่งจนเป็นหนึ่งได้นี่แหละอันนี้ก็คือจิตใจรวมมันจะเริ่มสงบมันจะเห็นได้ด้วยตนเองนะั่นวิธีทำจิตใจให้สงบเมื่อจิตใจรวมสงบลงเป็นหนึ่งแล้วนะ่เราจะรู้ได้ด้วยตนเองอ้ใจของเราเนะี่ยมีความสุขจริงๆ จิตไม่ปุงไม่ฟุ้งไม่ซ่านนะี่แหละวิธีการที่จะทำจิตใจให้สงบถ้าคนจิตใจผ่านความสงบจิตใจอยู่กับตัวเองเหมือนกับเราเฝ้าบ้านนะคนที่เฝ้าบ้านอยู่กับตัวเองเลยนะบ้านบ้านเรือน ข, ของเราก็สะอาดไม่ใช่เหรอนะออมันเห็นอะไรแล้วก็ทำความสะอาดในบ้านของเราเพราเราอยู่ในบ้านนะแต่ถ้าว่าคนหนีออกจากบ้านไม่ได้เฝ้าบ้านนะ บ้านก็ลกลุงหลังเหมือนกันนะส ก, กปรกไปหมดเพราะอะไรเพราะคนไม่อยู่บ้านนี่ก็เหมือนกันนะสติจิตใจของเราสติอยู่กับบ้านของตัวเองเฝ้าบ้านตัวเองอยู่ตลอดนะเน่ยเราคิดนึกเรื่องอะไรเราก็รู้ได้ชําระกายวาจาใจอย่างไรเราก็ยดูรู้อยู่ตลอดเวลาเนี่แหละแปลว่าเป็นผู้เฝ้าบ้านอยู่ตลอดเวลานี่แหละ หลักธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าเนียท่านให้เฝ้าบ้านอยู่ตลอดเวลาคนที่มีสติเฝ้าบ้านอยู่ตลอดเวลาคนนั้นรู้เรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นกับตัวเองความว้าเหว่อ้างว้างเงียบเหงาซึมเศร้าจะไม่เข้ามาในเมื่อเราเท่าแก่ฉลานะแต่ถ้าว่าพวกเราสติไม่อยู่กับตัวเองเนะี่ยมีแต่คิดปุงฟุ้งไปตลอดเนะี่ยไม่ได้แนละลูกหลานะคณะนะสัตา ย, ยาติโยมนะสมาธิเนะี่ยจำเป็น จำเป็นพวกเราจะต้องฝึกนะต้องฝึกสมาธิเนี่ยถ้าไม่ฝึกไม่ได้นะเพราะฉะนั้นจาเป็นต้องฝึกเรื่องสมาธิี่จะให้คนอื่นฝึกให้เราไม่ได้นะเราต้องฝึกเองนะเราต้องฝึกเองถ้าเราฝึกได้แล้วนะความสงบความร่มเย็นเป็นสุขก็จะเกิดขึ้นในจิตในใจของพวกเราน่ยถ้าหากว่าพวกเราฝึกสมาธิเป็นพื้นฐานแล้วนะถ้าหากว่าเราขาด นั่งสมาธิเออมันขาดนะเอานั่งสมาธิเนี่ยนะเราขาดเนะี่ยเออคล้ายๆบอกเออมันจะเออคิดถึงนะเออว่าเราขาดนะเนี่ยเพราะอะไรเพราะเวลาเราเคยนั่งเป็นเคยชินแล้วนะจิตใจมันได้รับความสงบเมื่อกล่าเราเราไม่ได้นอนวันหนึ่งอย่างนั้นอนะ่ะเอออันนี้ก็เหมือนกันใจไม่ได้พักผ่อนสักวันหนึ่งอย่างนี้แหละ จิตใจไม่ได้พักเฉิยมันเป็นยังไงมันหิวโหวยนะมันว้าเหวมันมีความทุกข์ลึกๆในจิตใจพอเอาใจเข้าสมาธิเท่านั้นลนะ่ะจิตใจรู้สึกอืมมันเป็นหลักจิตใจสบายจิตใจมีความสุขนะเพราะนั้นให้พวกเราฝึกนะเรื่องสมาธินะแต่วิธีการเดินการเดินเราก็ใช้ก้าวขาเดินท่านก็บอกว่าให้กาหนดกับก้าวขาเดินไม่ต้องกาหนดลมนะเวลาการ การเดินไม่ต้องกำหนดลมให้ก้าวกับขาขวาพุขาซ้ายโถให้กำหนดที่ที่ขาก้าวไม่ต้องกำหนดที่ลมแต่เราเดินไม่ต้องหลับตาเดินไปเลยขาขวาพุทซ้ายโถพุทธโอแต่ใจของเราไม่ได้ส่งไปในตานะมันอยู่ในใจนะดูความนึกคิดนะมันไม่ได้ส่งไปนำสายตานะถึงจะลืมตาก็เถอะมันก็ไม่ได้ส่งไปตำ ตาเนะมันอยู่ในใจของเรารู้ว่าเราเดินเราเดินด้วยก้าวอริยาบทอย่างไรเนะนี่แหละวิธีการเดินการเดินขาขวาพุทธขาใช้ตัวเป็นการเปลี่ยนอริยาบทนี่แหละในหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้านะว่ายืนเดินนั่งนอนควรจะประกอบแต่คุณงามความดียืนคนก็ยืนก็ตายได้นอนคนก็ตายได้นั่งคนก็ตายได้ ยืนเดินนั่งเดินคนก็ตายได้นอนคนก็ตายได้เพราะนั้นการประกอบคุณงามความดีเราต้องอยู่ในอริยบทสเหมือนกันนะทั้งยืนทั้งเดินทั้งนั่งทั้งนอนประกอบคุณงามความดีได้ทุกทกอย่างเหมือนกับความตายนะความตายก็เข้ามาได้พวกเราได้ทุกอย่างเหมือนกันยืนเดินนั่งนอนตายได้เราประกอบคุณงามความดีเราจะไปเอาจะนั่งอย่างเดียวได้แล้ว มันไม่ทันนะมันต้องยืนทั้งยืนทั้งเดินทั้งนัง่งทั้งนอนการประกอบคุณงามความดีวันนี้หลวงพ่อเองให้แนวความคิดสําหรับศรัทธา ญ, ญาติโยมลูกหลานแต่ทุกคนเนอะเป็นวันพระนะเป็นวันพระแล้วก็เป็นวันสําคัญที่บวชลูกบวชหลานของพวกเราอีกต่างหากวันนี้อตอนนี้ไปพระสงฆ์จะอนุมโมทนาให้พรรับพรเนอะอุทิศส่วนกุศล ต่อผู้มีอุปกระคุณกับพวกเราด้วยนะวันนี้นะ